จำนวนที่ว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังมันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าทําฝ่ายเดียวนะย่อมไม่เกิดผลอย่างเช่นถ้าหากว่าเราพูดไปไม่มีใครทําตามนะมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาผลมันจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่ามีสองฝ่ายนะได้ร่วมกระทําท อย่างเช่นการทะเลาะวิวาทเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะว่าคนสองคนโต้เถียงกันถ้าหากว่ามีแค่คนเดียวจะด่าว่าจะโต้เถียงแต่อีกฝ่ายหนึ่งเงียบไม่ตอบโต้การทะเลาะวิวาสก็เกิดขึ้นไม่ได้ เนั้นเมื่อใดก็ตามที่การทะเลาะวิวาเกิดขึ้นนั้นก็หมายความว่ามันมีสองฝ่ายเนี่ยเรียกว่าร่วมมือด้วยอาจจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งไม่ได้เนี่สันมวนนี้ก็ยังเรียกว่าใช้ได้กับเหตุการณ์ต่างๆมากมายแม้กระทั่งความสุขความทุกข์นะอย่างคนเราเนี่ยจะมีความสุขได้เนี่ย หลายคนมักคิดว่าถ้าได้พบสิ่งดีๆได้เสพสิ่งที่อร่อยได้ฟังเพลงเพราะถึงจะมีความสุขหรือว่าได้ทรัพย์สมบัติได้โชคได้ลาภถึงจะมีความสุขแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ใจด้วยนะยกอย่างเช่นอาหารที่อร่อยแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากใจมันไม่อยาก กินก็ไม่มีความสุขนะอาหารจะอร่อยได้เนี่ยมันไม่ได้ชื่อมันราคาแพงแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าใจเราอยากด้วยถ้าใจไม่อยากก็อาจจะการมีการฝืนกินได้แม้แต่พัสดคารที่รู้พัสดทคารที่ราคาแพงก็ยังต้องมีการพยายามเรียกน้า ย, ย่อยหรือกระตุ้นความอยากของลูกค้านะเช่นะจะต้องมีออเดอร์ก่อนนะ เพื่อให้เกิดความอยากพอเกิดความอยากแล้วจึงจะมีความสุขจากการกินฟังเพลงก็เหมือนกันนะจะบรรเลงโดยนักดนตรีที่เก่งหรือชื่อดังแค่ไหนคนฟังจะมีความสุขหรือรู้สึกว่ามันไพเราะได้ก็ต่อเมื่อเขามีความอยากฟังถ้าเขาไม่อยากฟังเนี่ยเพราะเขาอาจจะกลังทำสมาธิอยู่นะเพลงนั้น ก็ไม่ทําให้เขามีความสุขได้จริงๆแม้กระทั่งการร่วมเพศหรือการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยที่หลายๆคนปรารถนาว่าโอ้มันเป็นยอดแห่งความสุขมันก็ต้องอาศัยความอยากนะคือถ้าไม่มีอยากหรือไม่มีอารมณ์เนี่ยมันก็กลายเป็นความฝืนไปนะหลายคนทําไปเพราะเห็นว่าเป็นหน้าที่อันนี้มันก็มันชื่อเห็นนะว่าความสุขเนี่ย มันต้องอาศัยสองปัจจัยปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกเช่นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสปัจจัยภายในก็คือจิตใจเช่นความอยากหรือว่าอารมณ์ที่สอดคล้องเกื้อกูลกันถ้ามีแค่อย่างเดียวมีรูปรสกลิ่นเสียงแต่ว่าใจไม่ร่วมมือด้วยนะ ใจไม่เกื้อกูลมันก็ไม่เกิดความสุขขึ้นมาได้เราไปเที่ยวไม่ว่าไกลแค่ไหนนะไปอย่างที่ที่มันงดงานเพียงใดแต่ถ้าว่าใจของเราตอนนั้นเนี่ยมีความกังวลกังวลถึงเรื่องงานการ ก, กังวลถึงลูกหรือห่วงพ่อแม่ซึ่งกำลังป่วยก็ไม่มีความสุขน่งจากการไปเที่ยวหรือว่าบางทีอาจจะขุนเคืองใจนะ เพราะว่าเพิ่งทะเลาะ ก, กับใครบางคนที่แซงคิวนะ่ยเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวที่ไหนมันก็ต้องเข้าคิวนะพอมีคนแซงคิวเขาก็ไม่พอใจก็ทะเลาะทะเลาะเสร็จก็มีอารมณ์ค้างคาถึงแม้ไปดิสนีย์แลนด์นะถึงแม้ไปเขาแกลงแคนยอนหรืออะไรก็ตามนะที่มันไกลที่มันไปยากก็ไม่มีความสุขนะ เพราะว่าอารมณ์มันขุดมัวนะหรือว่ากังวลหรือว่าเศร้านะอันนี้เราตบมือข้างเดียวไม่ดังนะความสุขเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าใจนะไม่ไม่ร่วมมือและไม่เกื้อกูลด้วยถ้านะความสุขชั้นใดความทุกข์ก็ฉันนั้นนะความทุกข์เนี่ยโดยเพราะความทุกข์ใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะว่ามีอะไรไม่ดีมากระทบกับเรา จะเป็นตาหูจะไปรูปรสกินเสียงสัมผัสหรือว่าเหตุการณ์เช่นความพัดพลากสูญเสียความเจ็บความป่วยเพียงแค่เกิดอย่างเดียวไม่ทำให้เราทุกข์ใจนะจะทุกข์ใจได้เนี่ยใจต้องร่วมมือด้วยเช่นเสียงดังมากระทบต่าเกิดว่าเราทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะหรือว่าไม่สนใจ ควาพูดนั้นเสียงนั้นก็ทำให้ทุกใจทำให้ราคาญทำให้หงุดหงิดไม่ได้อย่างที่เคยยกตัวอย่างไปแล้วนะคนที่สามารถจะนั่งสมาธิได้รอบเจดีพุทธคยาทั้งที่เสียงดังเสียงดังแค่ไหนนะแต่ว่าใจเขาไม่ได้รู้สึกลบกับเสียงนั้นเขาสามารถนั่งหลับตาทำสมาธิได้ที่เราคิดว่าเนี่ย หรือพูดกันว่าทุกใจหรือว่าขุนเคืองใจเพราะเสียงดังเนี่ยไปโทษเสียงว่าทําให้เราทุกเนี่ยมันยังไม่ถูกนะใจเราก็มีส่วนด้วยมันมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงปู่บุทรานี่ยัยงยังมีชีวิตยอยู่ท่านตอนนั้นท่านก็ชราแล้วหลวงปู่บุตรานี่ท่านมรณภาพไปยี่สปีมาแล้วนะตอนที่มรณภาพก็อายุหนึ่งศตวรรษตอนที่ท่านอายุสักแปดสิบเก้าสิมันก็มีโยมนิมนต์ให้ท่านไปอาชันเพน ในกรุงเทพท่านก็รับนิ ม, มนต์ฉันเสร็จก็จะกลับวัดที่สิงห์บุรีโยมก็เห็นว่าท่านชราแล้วห้าสิบปีก่อนนี่จ ะ, จะไปสิงห์บุรีก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะก็เลยขอให้ท่านพักจำวัดสักหน่อยก่อนเจ้าพาพก็หาห้องให้ท่านพักลูกศิษย์ก็มานั่งเป็นเพื่อน ขณะที่หลวงพ่อเองกายอยู่นะัลูกศิษย์ก็เวลาจะคืนก็สิกกะซิบกรทราบไม่อยากจะรบกวนท่านแต่บังเอิญห้องที่ติด ก, กันเนี่ยคือเป็นห้องแถวอะห้องที่ติด ก, กันเขาเป็นร้านชําเจ้าของนี่เป็นอาซิมอาซิมคนจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะสวมเกี้ยนะอาตอมาเด็กๆก็ยังได้ทันสวมเกี้ยเลยนะเกีบไม้ดังนั้นยังไม่มีรองเท้าแตะพลาสติก เวลาสวมเกี้ยวไม้เดินไปเดินมามัก็ดังขึ้นลงมันใดก็เสียงดังมันก็ดังทะลุเข้าไปถึงห้องที่หลวงปู่บุทดากำลังพักอยู่ลูกศิษย์ก็ไม่พอใจรู้สึกรําคาญก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยเดินเสียงดังจังไม่เกรงใจกันเลยหลวงปู่ท่านหลับตาอยู่แต่ท่านไม่ได้หลับด้วยนะท่านก็ได้ยินเสียงลูกศิษย์เปรย์เปรย์ขึ้นมาท่านก็เลยได้ยินเสียงลูกศิษย์พูดขึ้นมาท่านก็เลยเปรย์เปย์ขึ้นมาว่าเนี่ยขาเดินของเขาอยู่ดีๆ อาหัวไปลองเกี้ยเขาเองลูกศิษย์ลาคาญเนี่ยแล้วก็โทษเสียงนะแต่โดยที่ไม่ตระหนักว่าที่จริงเนี่ยเสียงยังไม่ทําให้ทุกข์หรือลาคาญแต่ที่ทุกข์หรือลำคาญเพราะว่าอาหัวไปลองเกี้ยนะมันก็เลยทุกข์นะลูกศิษย์เนี่ยเขาไปโทษเสียงภายนอกแต่ว่าไม่ได้ดูใจนะใจตอนนั้นเนี่ยไม่มีสติ มันก็เลยไปเอาหูไปลองเกี้ยคือเอาจิตเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นและใจกับเพื่มแล้วก็ยังไม่รู้ตัวก็ยังไปโทษเสียงอยเสียงไม่ใช่ปัญหามาเท่ากับว่าใจที่ไม่มีสติหรือว่าหูที่ไปลองอเกี้ยนั่นนะในเวลาเมื่อใดก็ตามที่เราทุกข์ใจลาคาญหงุดหงียบเมื่อเกิดเสียงดังเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปโทษเสียงอย่างเดียวต้อง กลับมาดูใจว่าใจเรามีส่วนร่วมในการทำให้เกิดทุกข์ใจขึ้นหรือเปล่าเวลารถติดเนี่ยนะหลายคนก็ไปโทษรถว่าทำไมรถมันแน่นขนาดไปโทษสัญญาณจรา จ, จรว่าทำไมมันแดงนานเหลือเกินมันไม่เขียวสักทีนะก็ไปบางทีก็บ่นกลนดา่ารถที่แน่นขนัดไปโทษไฟแดงแต่ที่จริงแล้วเนี่ยใจเราก็มีส่วนไม่น้อยทีเดียวนะ คือเราจะไม่หงุดหงิดจะไม่รําคาญจะไม่ทุกข์หรอกถ้าเกิดว่าเราไม่มีความอยากที่จะถึงที่หมายไวๆพอใจมีความอยากจะให้ถึงที่หมายไวๆเนี่ยรถติดก็กลายเป็นสิ่งที่สร้างความรําคาญขึ้นมาทันทีสร้างความไม่พอใจขึ้นมาทันทีหรือว่าใจเราบางทีก็ไปปรุงแต่งว่าเนี่ยถ้าเกิดว่ามันติดนานกว่า น, นี้และเราไปถึงจุดหมายช้าจะเกิดอะไรขึ้น เกิดไปประชุมช้านะก็จะถูกเจ้านายต่อว่าคิดไปต่างๆนานาหรือถ้าเกิดว่าส่งลูกไม่ทันนะลูกก็จะถูกครูทําโทษคิดไปแล้วยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่คิดไปแล้วคิดไปล่วงหน้าแล้วอันนี้เราใจไม่อยู่กับปัจจุบันพอคิดอย่างนั้นแหละก็เกิดความทุกทันทีเกิดความไม่พอใจเกิดความขุนเคืองทันทีให้ลำพังรถติดนี่ไม่ทําให้เราทุกข์ใจนะ แต่ใจเราก็ต้องแบบเป็นพราใจเราเนี่ยนะวางไม่ถูกนะเพราะเร า, าระวังใจไม่ถูกหรือเพราะเรามีความอยากนะที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีเมืเ่อดก็ตามที่เราทุกข์ใจเนี่ยอย่ามัวแต่ไปโทษสิ่งภายนอกนะไม่ว่าจะเป็นจราจรไม่ว่าจะเป็นเสียงดังไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศ เจ้านายลูกน้องคนรักพ่อแม่หรือว่านักการเมืองหรือว่าเศรษฐกิจโลกนะอันนั้นมันเป็นแค่ปัจจัยภายนอกนะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือปัจจัยภายในคือใจนะและใจนี่เป็นตัวสำคัญด้วยบางทีปัจจัยภายนอกก็โอเคนะไม่มีอะไรติดขัดนะแต่ว่าเราทุกข์แล้วเช่นอยู่ในกุฏิคนเดียว ตอนกลางวันก็สบายดีนะแต่พอตกค่ำเนี่ยหรือว่าพอกลางดึกเนี่ยนะก็รู้รู้สึกกระวนกระวายล้พออะไรเพราะกลัวถามว่าทำไมถึงกลัวก็เพราะจิตมันปรุงแต่งว่ามันมีสัตว์ร้ายมีคนที่ไม่ประสงค์ร้ายนะอยู่ข้างนอกนะหรือว่าคิดไปว่าเนี่ยมีผีนะจะมารังควานข้างนอกไม่มีอะไรเลย แต่ว่าใจมันปรุงแต่งไปเรียบร้อยแนละ้วแล้วก็ไปโทษว่าเพนเพราะข้างนอกมันมืดนะวังเวงน่ากลัวข้างนอกก็ปกตินะแต่ใจดัางหากนะที่ปรุงแต่งเพราะฉะ น, นั้นบางครั้งเนี่ยแม้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะแต่ว่าเราก็ทุกข์ใจแล้วนั่นเป็นเพราะนะการปรุงแต่งของใจพูดได้ว่าเนี่ยไม่มีอะไรหรือไม่มีใครที่จะทาให้เราทุกข์ใจได้นะ หากว่าใจเราไม่ร่วมมือด้วยนะคนเราทุกคนจะมีความสุขอยู่แล้วแต่ว่าหลายครั้งกรับไม่พบความสุขหรือว่ากลับมีความทุกข์แล้วก็ไปโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่มีใครขโมยความสุขไปจากใจเราได้นะหากว่าเราไม่ยินยอมหรือว่าไม่ร่วมมือด้วยปัญหาจะมากมายเพียงใดนะในที่ทำงานหรือในครอบครัวมันก็ไม่ทาให้เราทุกข์ใจได้นะ ถ้าใจเราเนี่ยไม่ร่วมมือด้วยลองสังเกตดูดีๆนะว่าใจเราเนี่ยไปมีส่วนร่วมหรือเปล่านะพระเจ้าตรัสว่านะมือที่ไม่มีแผลเนี่ยจับต้องยาพิษก็ไม่เป็นอะไรอันตรายไม่เกิดขึ้นแต่อันตรายเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมือมีอมแผลนะยาพิษมันก็เลยซึมเข้าไปทําอันตรายร่างกายเราได้ อันนี้ก็เปลี่ยมือความทุกข์กันนะความทุกข์เกิดขึ้นได้เมื่อใจเรามีแผลเมื่อใจเราไม่ปกตินะหรือว่าวางใจไม่ถูกเช่นปรุงแต่งบ้างหรือว่ามีความอยากที่สวนทางความเป็นจริงบ้างหรือว่าที่ทำมันคือความยึด ต, ติดนะปัญหามันจะมีมากเพียงใดถ้าใจไม่แบกไว้ก็ไม่ทุกข์นะ แต่คนมักจะไม่มองตรงนี้มักจะโทษไปที่ตัวปัญหาหรือคนที่สร้างปัญหาให้กับเราเคยมีนายตำรวจผู้หนึ่งเนี่ยไปไปกราบหลวงพ่อชาสุพัทโทนะวันหนองปลาพงตัสบปีมาแล้วสี่สบกว่าปีได้มั้งไปถึงก็ไประบายไปบ่นนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตนะไม่คดโกงไม่คอร์รัปชันแต่ว่า เจ้านายไม่ชอบเพื่อร่วมงานก็รังเกียจหาทางกลั่นแกล้งหาว่าตัวเองเนี่ยเป็นแกะดำที่จริงชวน เ, เป็นแกะขาวมากกว่านะแกะขาวท่ามกลางแกะดทาทำงานไม่มีความสุขเจ้านายก็กลั่นแกล้งไม่ให้ความเป็นธรรมลูกน้องก็รังเกียจงานการก็เลยไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าไม่ประสบความสำเร็จทำอะไรก็ไม่ค่อยมีคนร่วมมือด้วย ทุกใจมากก็ระบายให้หลวงปู่หลวงพ่อชาฟังเนี่ยครึ่งชั่วโมงได้นะบ่นบ่นบ น, บ น, บนหลวงพ่อท่านก็ฟังแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรจนกระทั่งนายตำหลจคนนั้นระบายจบหลวงพ่อก็ชี้ไปที่ก้อนหินที่วางอยู่ตรงที่กองอยู่ตรงลานหน้ากุฏิท่านแล้วก็ชี้ไปวันนี้เห็นก้อนหินก้อนนั้นไหมนายตำรวจคก็บอกเห็นครับ มันหนักไหมหนักครับแบกไหวไหมแบกไม่ไหวแล้วครับหลวงพ่อชาก็เลยพูดว่าถ้าไม่ไหวก็อย่าไปแบกมันพูดเท่านี้เนี่ยในตกลกันแก็ได้สติเลยนะีก็คือรู้ว่าตัวเองทุกเพราะไปแบกปัญหาต่างๆเอาไว้ก้อนหินมันหนักนะแต่มันไม่ทําให้เราทุกข์ได้นะถ้าเราไม่ไปแบกมันไอ้ที่ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะไปแบกมันเอาไว้ นะปัญหาน เ, เนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ทําให้เราทุกข์ใจนะปัญหาใดก็ตามไม่ทําให้เราทุกข์ใจแต่ที่ทุกข์ก็เพราะไปแบกมันเอาไว้เพะฉั้นจะไปโทษก้อนหินไม่ได้นะว่าทําให้เราเหนื่อยทําให้เราหนักแต่เป็นเพราะเราไปแบกไว้ตั้งหาเพียงแค่เราวางมันลงก็ไม่ทุกข์แล้วในเวลากลุ่มอกกลุ่มใจเพราะรู้สึกว่าปัญหามันรุมเรานะเราตั้งสติให้ดี แล้วก็ลองถามใจตัวเองว่านะมันเป็นพ่อปัญหาหรือมันเป็นพ่อเราแบกเอาไว้ปัญหาก็เปรียบเหมือนก้อนหินนะถ้าไม่แบกก็ไม่ทำให้เราทุกข์ก้อนหินเราแบกด้วยด้วยด้วยตัวด้วยร่างกายแต่ปัญหานี่เราแบกด้วยใจแล้วทาไมถึงแบกเอาไว้ในเมื่อทุกข์หลายสิ่งหลายอย่างนะเราแบกเอาไว้ทั้งที่มันก็ทุกข์นะอารมณ์โกรธเราอุตส่า ประคบประคองรักษาห่วงแหมันเอาไว้ทำไมทั้งที่มันเผาร่นใจทั้งที่มันเหมือนกันฐานก้อนแดงแดงที่เผาใจเราทำไมทุกแล้วถึงยังแบกอยู่หรือทำไมทุกแล้วยังกรรมฐานก้อนแดงๆงอยู่ก็เพราะไม่รู้ตัวเพราะไม่มีสติคนเราพอไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะแบกอะไรต่ออะไรได้มากมายนะ อย่างคนที่หนีไฟด้วยความตกใจเนี่ยเห็นอะไรอยู่ใกล้ตัวก็แบกเอาไว้ก่อนเพื่อพาให้รอดปลอดภัยจากไฟบางทีก็แบกโอง่งบางทีก็แบกตู้เซฟโอ่งนี่มันก็มีน้ำอยู่ยนะก็ยังแบกไปนะนีสมัยก่อนนี่คนไทยก็มีโอ่งตามบ้านเพื่อเก็บน้ำฝนตกใจมากก็เห็นโอ่งอยู่ใกล้ตัวก็รีบแบกไอตอนแบกโอ่งนี่ก็ หนักนะแต่ว่าความกลัวมันทําให้ลืมลืมหนักแต่พอวิ่งหนีไฟห่างไฟไปสักพักรู้สึกปลอดภัยแล้วก็จะรู้สึกหนักขึ้นมาไอ้มันหนักเพราะอะไรแล้วก็พบว่า อ, อ๋อหนักเพราะเราแบกโอ่เอาไว้พอรู้ว่าแบกโอก่งนี่มันวางเลยเพราะเห็นว่าเป็นของหนักนั่นความเราทุกเพราะเรายึดติดนะและที่ยึดที่แบกเพราะว่าความหลงนะไม่มีสติไม่รู้สึกตัวอันนี้ก็เป็น ปัจจัยสาคัญทีเดียวนะที่ทำให้มีความทุกข์คำต่อว่าดาทอไม่ทำให้เราทุกข์ได้ถ้าใจเราไม่ไปคุ้นคิดกับคำเหล่านั้นหรือไม่ไปยึดติดนะกับถ้อยคำเหล่านั้นถ้าเราได้ยินแล้วเราวางซะนะให้คำต่อว่าดาทอก็ไม่มีทางที่จะกรีดแผลในใจเราให้เจ็บได้ มือนกับเราเมันก็นมีเศษแก้วคมๆอยู่ในมือถ้าวางไว้บนมือเราเนี่ยมันไม่ทําให้เกิดแผลอะไรได้แต่ที่เกิดแผลก็เพราะอะไรเพราะเราไปกําเอาไว้กำไม่ได้กำเปล่าเปล่าบีบด้วยมันก็เลยเฉือนมันก็เลยบาดมือบาดนิ้วเราจะไปโทษแก้วก็คงโทษไม่ถูกนะเพราะว่าถือไว้เฉยๆไม่ทําอะไรเราได้ แต่พอเราไปกรรมอะไรไปต้องหากถามว่าทําไมไปกรรมทําไมไปบีบก็เพราะลืมตัวเวลาเราลืมตัวทีไรแล้วก็นึกถึงคําต่อว่าด่าทาของคนนั้นคนนี้แล้วเราก็เจ็บเองไอคนพูดนี่ก็ลืมไปแล้วนะแต่ว่าเรายังเก็บเอามาทิมแทงหรือว่าทําร้ายตัวเองเป็นวันเป็นคืนเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็มีใครเขาด่าเราเราไม่ทุกข์ก็ได้นะถ้าใจเราไม่ร่วมมือด้วย เมื่อซาติธิรานไปไปสนทนากับโจรจันไดนะโจรจันไดนีต่ตอนนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนมากโดวยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่อยากใช้ชีวิตพอเพียงเพราะว่าแกอยู่อย่างสมถะทำทำนาเก็บมเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านแล้วก็สร้างบ้านดินคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าด้วยก็มีนะ 5, 6, าก็ไปที่ส่วนของแกเพื่อไปเรียนรูกนะ้การทำกรเกษตรการทำบ้านดินนะช่วงนี้ก็ก็ดังนะเพราะว่าบางจากก็เอาไปเป็นเปิดพลสเิเซนเตอร์โฆษณาเรื่องชีวิตพอเพียงแกแล้วว่าสมัยที่ยังหนุ่มเนี่ยแกไม่ได้มีความคิดแบบนี้ น, นะอยากรวยก็พยายามดิ้นรนกระเสือกกระสนไปใช้ชีวิตในกรุงเทพแต่ไม่ค่อยมีวิชาความรู้เท่าไหร่ อาชีพก็เลยไม่ค่อยได้ได้ดีเท่าไหร่นะมีครหนึ่งก็ไปเป็นลูกจ้างโรงแรมแห่งหนึ่งเป็นพนักงานทำความาสะอาดในในห้องห้องพักโรงแรมทำความาสะอาดแล้วก็ทำเตียงด้วยเจ้านายของโจนเนี่ยโจนก็บอกว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่แกไม่เคยพบมาก่อนเพราะว่าเจอหน้าครั้งแรกก็ด่าเลยแล้วก็ดา่ดาดา่ดาด่าแล้วก็ เป็นคนที่ด่าตลอดด่าเสร็จแล้วก็ไปไม่เคยเจอผู้หญิงคนนี้มีคราวนึงนะผู้หญิงคนนี้ก็ให้แกไปใสแกไปเช็ตลูกบิดประตูห้องพักก็บอกเนี่ยเอา braso ไปขัดซะแกก็เอาร r a โซไปขัดลูกบิดนะขัดใกล้เสร็จอยู่แล้วผู้จัดการก็มาเห็นแล้วก็ต่อว่าว่าขัดได้ยังไงลูกบิดแบบนี้มันขัดด้วยร r a s o ไม่ได้ เจ้านายหือผู้หญิงคนนั้นเนี่ยซึ่งเป็นคนสั่งแก่แท้ๆให้ไปขั ด, ขดรูปแบด้วยบาโซก็ต่อว่าโจรอันทีลนะว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงนะเรียกว่าเป็นปีเป็นคุยเลยทีแรกนะโจรเขาก็ฉุนนะว่าสั่งสั่งเขาขัดแท้ๆตอนนี้มาว่าเขาแล้วแต่ว่าช่วงแวบหนึง่งแกก็ยิ้มแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็บอก ขอโทษครับขอบคุณครับที่เตือนและนับแต่นั้นมาเวลาผู้หญิงคนนั้นด่าแกแกก็จะยกมือไหว้แล้วก็ยิ้มพ้องก็บอกว่าขอบคุณครับอันที่แรกแกก็รู้สึกตะกิดตะขวงนะแต่ตอนหลังเนี่ยแกก็รู้สึกสบายใจที่ทําเช่นนั้นเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกขอบคุณจากใจจริงขอบคุณที่แกช่วยเตือนให้หันมา จัดการหันมาดูอารมณ์ของตัวเองอารมณ์นั้นคืออารมณ์นั้นคือความโกรธความไม่พอใจพอถูกดา่าปุ๊บกก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นแล้วก็ทำให้แกได้หันมารับมือกับจัดการกับความโกรธนั้นนะ้กก็ทำไปทาไปจนกระทั่งแกสามารถที่จะยิ้มได้ด้วยความความความจริงใจนะคือขอบคุณแกก็ทำเป็นเดือนนะทั้งตลอดเดือนนั้นก็คนหลายคนก็ไปต่อว่า หรือว่าประชดหรือว่าตาหนิโจร น, นะบอกว่าเนี่ยโง่จริงๆเลยนะหรือว่าบางคนก็บอกแกเสียสติไปหรือเปล่านะถูกด่าได้แท้อย่างยิ้มให้เขาอย่งางไหวเขาอีกนะแต่แกก็ไม่ไม่สนใจเพราะแกรู้สึกอย่างจริงจิงว่าขอบคุณที่เขาได้มาช่วยเตือนให้เรามาจัดการกับอารมณ์ของเราหนึ่งเดือนต่อมาผู้หญิงคนนั้นเจ้านายเนี่ยก็เรียกแกมาหาแล้วก็ถามว่าเนี่ย เวลาฉันด่าว่าเธอทีไรทำไมเธอยิ้มทำไมเธอไหว้แล้วก็ขอบคุณตันเขาอธิบายแล้วว่าเนี่ยก็ขอบคุณครับที่มาช่วยเตือนให้ผมมาดูอารมณ์ของตัวเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะแต่ว่าพอเราเห็นความโกรธนะเราก็รู้ว่ามั่นใจว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราก็ใจก็สงบลงได้แกแล้วว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะ ผู้หญิงคนนั้นก็เลิกด่าว่าแกกเลยนะอาจจะแพ้ใจนะแพ้ใจหรือว่าประทับใจนะที่โจนี่ก็เป็นคนที่ไม่ขุนเคืองไม่โกรธอันนี้ก็เรียกว่าชนะใจด้วยความดีนะแต่ที่จริงโจนเขาไม่ได้คิดจะชนะใจอผู้หญิงคนนั้นหรอกนะแต่เขาคิดที่จะเอาชนะความโกรธของตัวเองมากกว่าและตอนหลังเนี่ยนะเขาก็ได้เรียนรู้เลยว่า มันก็เกิดนิสัยใหม่ขึ้นมาในใจเขาว่าเนี่ยคือเวลาถูกคนด่าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยโกรธเท่าไหร่เขาก็จะยิ้มให้นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะว่าคนเราเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเจอความเจอคนด่าว่าแล้วจะโกรธเสมอไปนะใครก็จะด่าว่ายัางไงถ้าใจเราไม่ร่วมมือด้วยความโกรธก็ไม่เกิดขึ้นนะที่โกรธที่ไม่พอใจพอใจเราเนี้ยไปเออ อ, อหอหมกด้วยนะหรือไปยอมให้ คำพูดเหล่านั้นเนี่ยมาทิมแทงจิตใจด่ายังไงใจก็ไม่ทุกข์ก็ได้นะนะเศรษฐีบางคนเนี่ยร่ำรวยมากนะแต่ก็เป็นแกเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวอดีตเจ้าของเมืองโบราณคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะแกเล่าว่าแกพูดวันเนี่ยวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอัปมงคลถูกตำหนิไม่ใช่ว่าจะต้องโง่โมโหจะต้องขุนเคืองเสมอไปนะ อย่างที่บอกไว้แล้วว่าตบมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ดังใครก็จะทําอะไรเราถ้าเราไม่เออ อ, อ, ห, อหมกด้วยนะหรือไม่ยินยอมนะก็ทำอะไรให้เราทุกข์ไม่ได้เราจะามถจะพูดได้เลยว่านะ่ยไม่มีใครไม่มีอะไรทําให้เราทุกข์ไดนะ้อาจารย์แชะสซร์โลได้พูดดีนะท่านบอกว่าเนี่ยไม่มีใครไม่มีอะไรที่จะบงับงบังคับให้เราทุกข์ได้มีแต่ชวนให้เราทุกข์มีแต่ชวนให้เราไม่พอใจมันอยู่ที่ว่า เมื่อเขาชวนแล้วอยู่ที่ว่าเราจะรับคาชวนหรือเปล่านะ่ถ้าเรารับคาชวนเราก็ทุกเองและจะโทษใครนะเพราะเขาไม่ได้บังคับให้เราทุกนะอากาศหนาวแดดร้อนคําต่อว่าดาทอเนี่ยมันไม่ได้ทให้เราทุกนะอย่างมากก็คือมันมาชวนให้เราทุกนะชวนให้เราขัดใจชวนให้เราไม่พอใจมันทำได้อย่างมากแค่นั้น ขั้นต่อไปคือว่าเราจะรับคำชวนไหมนะถ้าเราเรารับคำชวนเราก็ทุกเองนั่นก็หมายความว่าทุกครั้งที่เราทุกใจนั่นแปลว่าเราไปรับคำชวนเขาแล้วแล้วทำไมถึงรับก็เพราะไม่รู้ตัวเพราะไม่มีสตนะิแต่ถ้ามีสติเนี่ยนะมันก็ไม่ไปเผลอเอารูปรสกลิ่นเสียงมาทำร้ายเราง่ายๆนะจึงบอกตั้งแต่แล้ ว, ว่าไม่มีอะไรที่จะมาทาให้เราทุกได้ไม่มีใครที่จะ ขโมยความสุขไปจากใจเราได้ไม่แต่ความเจ็บป่วยนะเจ็บป่วยถึงขั้นเป็นมะเร็งเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องทุกข์ใจมันทุกแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกก็ได้นะเพื่อตอมาคนหนึ่งแกเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็แกก็พูดว่าเนี่ยสองปีสุดท้ายของความเจ็บป่วยเนี่ยแกเป็นมาประมาณ10ปีนะแล้วก็แต่ว่าอาการลุกลามระยะสุดท้ายก็กประมาณ สปีหลังแกกวบอกเนี่ยสองปีสุดท้ายเนี่ยเป็นช่วงที่แกมีความสุขมากทั้งที่เป็นมะเร็งนะเพราะว่าได้ปล่อยวางนะความเจ็บความป่วยแล้วต้องความตายก็มามาเตือนให้เธอรู้จักปล่อยวางปล่อยวางทรัพย์สมบัติปล่อยวางงานการปล่อยวา ง, ง, าาวางความขุนเคืองใจความรู้สึกผิดต่างๆ แล้วก็ไม่ถือสากับผู้คนนะใครก็จะพูดอะไรใครก็จะทำอะไรกับเธอเธอก็ปล่อยวางเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่สาละอะไรและอีกอย่างนึงอาจจะเป็นเพราะว่ารู้ว่ามีเวลาอยู่ไม่นานนะจะไปเสียเวลาทุกข์จะไปเสียเวลากรัดกรุ่มทำไมเขาก็วางได้พอวาเสร็จก็มีความสุขนันมะเ็งนี้ไม่ทำให้เราทุกข์ใจนะมะเร็งทำได้ามากคือทุกข์กายแต่ไม่สามารถทาให้ทุกข์ใจได้ ไอ้ทีุ่ทุกข์ใจก็คือความหลงความไม่รู้ตัวความยึดติดถือมัน่นหรือการวางใจที่ไม่ถูกต้องนั่นเองอันนี้แหละคือตัวการแห่งความทุกข์เป็นที่มาแห่งความทุกข์อย่างแท้จริงพูดได้ว่ามะเร็งไม่ใช่ปัญหามาเท่ากับใจนะที่วางหรือปฏิบัติไม่ถูกงั้นการที่เรามาเจริญสติเนี่ยนะมันเป็นการมาจัดการที่ต้นตอของความทุกข์นะมันอาจจะไม่ช่วยทําให้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราหรือรุมเรา เราเนี่ยมันหมดไปในทันทีทันใดแต่ว่าอย่างน้อยมันทำให้ใจเราไม่ไปร่วมมือไม่ไปแบกไม่ไปถือเอาความทุกข์เรานั้นเนี่ยมาทำร้ายจิตใจเราทำให้มันด้านนะคือว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังมีแต่ใครก็จะว่าอย่างไรเขาก็เพียงแต่ว่าตบมือข้างเดียวแต่ว่าเราไม่ทุกข์ด้วยมันก็เลยไม่เกิด ผลอย่างที่เขาต้องการถ้าหาว่าเขามีเจตนาจะทำร้ายเราเขาก็ทำไม่สำเร็จเพราะตบมือข้างเดียวไม่ดังเอาละชาตินี้ก็กกนเพก่อท่านนีนะกราบครบ